1. วิวทาทิกร 2. อ, อ, อนุวทาาธิกร 3. อ, อาปตตาธิกร 4. กิจจาธิกรที่ชื่อว่าถูกตัดสินให้แพ้คดีพระผู้มีพระภาคตรัสหมายถึงผู้แพ้คดีคำว่ากโกรธไม่พอใจคือไม่ชอบใจแค้นใจเจ็บใจคำว่ากล่าวอย่างนี้คือกล่าวว่าพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบและพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะกลัว คำว่าภิกษุณีนั้นคือภิกษุณีผู้กล่าวอย่างนั้นคำว่าอันภิกษุณีทั้งหลายคืออันภิกษุณีเหล่าอื่นภิกษุณีทั้งหลายที่ได้เห็นได้ยินพึงว่ากล่าวตักเตือนว่าแม่เจ้าท่านถูกตัดสินให้แพ้คดีในที่ก่อนหนึ่งแล้วโกรธไม่พอใจก็่าได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะชอบและพวกภิกษุณีลำเอียงเพราะกลัว แม่เจ้าเองก็ยังลำเอียงเพราะชอบบ้างลำเอียงเพราะกลัวบ้างพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สองพึงว่ากล่าวตักเตือนเธอแม้ครั้งที่สามถ้าเธอสละได้นั่นเป็นการดีถ้าไม่สละต้องอาบัติทุกกฎพิกษณีทั้งหลายได้ยินแล้วไม่ตักเตือนต้องอาบัตรทุกกฎพิชฌณีนั้นอันภิชฌณีทั้งหลายพึงพามา่ามกลางสงแล้วว่ากล่าวตักเตือนว่าแม่เจ้า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 ภิกษุณีอันสงพึงสวดสมนโภาส